7. นิกขทนะสิกขาบทเจถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้โกรธไม่พอใจฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไร